สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตในวันนี้อยู่ในบทที่2 4 1 5ิบข้อหจนถึงข้อที่22ซึ่งเป็นถ้อยคาที่27จดนถึงถ้อยคาที่3าโปรดฟังพระเจ้ของพระเจ้าอย่าซุ่มทําร้ายที่อาศัยของคนชอบธรรมอย่างที่คนอธรรมทำอย่าทําลายที่พักของเขา เพราะคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนอาธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบากอย่าเปรมปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล้มและอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดเกรงว่าพระเยาวาจะทอดพระเนตรและไม่พอพระทยัยและทรงหันความกลี้วจากเขาเสียอย่าชุนเฉียวเพราะคนทำบาปและอย่าอิจฉาคนอธรรมเพราะวาคนชั่วไม่มีอนาคต ประทีปของคนธรรมจะถูกดับเสียลูกเอย๋ยจงยำเกรงพระเยโฮวาและพระราชาอย่าคบค้ากับพวกกระบทเพราะภัยพิบัติของพวกเขาจะอุบัติขึ้นโดยพลันและใครจะทราบถึงความพินาศที่จะมาจากพระองค์ทั้งสองเล่าพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในวันนี้เป็นท่อยคำที่27จนถึง30นะครับ มีทั้งหมด4ี่ถ้อยคําด้วยกันหรือสประโยค 4. แนวคิดแนวคิดแรกครับประโยคแรกเป็นการตักเตือนว่าอย่าอย่าทําอะไรอย่าซุ่มทําลายที่อาศัยของคนชอบธรรมอย่างที่คนอธรรมมักจะทําอย่าทําลายที่พักของเขาเพราะว่าคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งก็จะลุกขึ้นอีกแต่คนอธรรมจะสะดุดลงในความยากลําบากเพียน้องครับพระคัมภี์เตือนว่าอย่า อย่าทำลายคนชอบธทำความพยายามของคนชั่วร้ายที่จะทำลายคนชอบทำนั้นมักจะล้มเหลวครับเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องเขาพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องคนชอบธทำแม้ว่าคนชั่วร้ายอยากจะทำลายคนธรรพี่น้องครับในที่สุดเขาจะพบว่าตัวเองนั้นจะต้องเป็นคนที่รับทุกแทนครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวคนมักจะถามว่าทำไมข้าพเจ้าต้องทนทุกข์ทำไมดีฉันและผมต้องทนทุกข์ ความจริงแล้วถ้าหากว่าเป็นตามหลักการแล้วคนชอบทำนะครับพระเจ้าจะปกป้องเขาแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนชอบทำที่ต้องนทนทุกข์นั้นแสดงว่าพระเจ้านั้นได้ทรงมีพระประสงค์น้ำพัดไทยที่เลิอดประเสริฐยิ่งกว่านั้นที่ให้เราทั้งหลายทนทุกข์ยากลําบากหรือเรามักจะถูกกลั่นแกล้งหรือเรามักจะถูกใส่ร้ายปลายสีเนี่ครับคือสิ่งที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้เกิดในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้มีความอดทนและพึ่งพาพระเจ้าครับ และสำแดงความรักของพระเจ้าต่อคนเหล่านั้นพระเจ้าอนุญาตให้คนเหล่านั้นมาทำร้ายทำลายเราเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะอดทนเพราะเหตุที่เรารักเขาและถ้าหากว่าเขาไม่กลับใจสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอน เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปกป้องคนชอบธรรมและในที่สุดคนชั่วร้ายก็จะตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากและนี่คือมุมแมลงครับก็คือให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตัวมุมแมลงเมื่อปล่อยออกมานะครับปล่อยไปแล้วจะกลับเข้ามาหาผู้ที่ปล่อยต่อไปเป็นถ้อยคำที่ยี่ครับถ้อยคาที่28นั้นก็ตักเตือนพวกเรา ที่เหมือนกับว่าจะเป็นคนชอบทำเนี่ยนะครับว่าพระเจ้านั้นไม่ชอบหรือทรงสอิดสะเอียนที่เราเปรมปรีในความล้มเหลวของคนอื่นพี่น้องครับการดีใจนะครับเมื่อคนอื่นนั้นแย่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดกับศัตรูของเราเรายังถูกพระเจ้าห้ามที่จะยินดีปรีดาเมื่อศัตรูของเราพินาศพี่น้องครับการดีใจ เมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากหรือพบกับความลําบากนั้นเราเองนั้นจะต้องมีท่าทีในการที่จะสงสารเขาและอธิษฐานเพื่อเขาให้เขากลับใจเพื่อที่การลงโทษคนธรรมจะหยุดพี่น้องครับเราต้องไม่ส่งเสริมท่าทีแห่งการเหยียดหยามผู้อื่นหรือท่าทีที่วัยรุ่นเรียกว่าสะใจดีเราควรอธิษฐานเผื่อศัตรูของเรา เผื่อคนที่เราไม่ชอบเผื่อคนที่ใส่ร้ายป้ายสีเราในกณรแย่ดกันเมื่อเขารับความทุกข์ยากลาบากเราเองต้องไม่ดีใจแต่ต้องขอพระเจ้าเมตตาเขาให้เขาได้กลับใจเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องรับการลงโทษที่มากกว่านี้อีกต่อไปเป็นทอยคาที่29นะครับทอยคำที่29นั้น ก็พูดถึงว่าอย่าชุนเฉียวเพราะคนทำบาปและอย่าอิจฉาคนอธรรมเพราะคนชั่วไม่มีอนาคตประทีปของคนอธรรมก็จะถูกดับเสียพี่น้องครับพระกัมพีสอนว่าเราอย่ามีความรู้สึกอิจฉาริจยาคนบาปครับการมองความเจริญรุ่งเรืองของคนบาปและการกระทมของเขา น, นเราอาจจะมีความรู้สึกบางครั้งก็อิจฉาครับและอยากจะเป็นแบบแบบเดียวกับเขา แต่ว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายครับความสำเร็จที่เขาได้รับมาหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่ชื่อเสียงที่เขามีอยู่นั้นมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องรู้ครับและหักห้ามใจของเราอย่าฉุนเฉียวเพราะคนทำบาปอย่าอิจฉาคนธรรมเพราะเรารู้ครับว่าเขาไม่มีอนาคตประทีบของเขาดวงสว่างของเขาจะถูกดับเสียจากพระเจ้า คนอัธรรมนั้นเขาจะไม่มีความหวังสำหรับอนาคตแต่ในทางกลับกันครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องรับพระปัญญาของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราเราเป็นคนชอบธรรมครับและเราจะมีความหวังสำหรับอนาคตอย่างแน่นอนในที่นี้นั้นคำว่าประทีปของเขาจะถูกดับคาว่าประทีปนั้นก็คือชีวิต ชีวิตของคนชั่วร้ายนั้นก็จะพบกับความหายนะครับพวกเขาไม่มีผลลัพธ์ที่ดีสําหรับชีวิตของพวกเขาเองคําว่าอย่าฉุนเฉียวเพราะคนทําบาปคําว่าฉุนเฉียวนั้นหรือแปลว่ากังวลใจความจริงแล้วคําภาษาฮีบรูแปลว่าเกิดการลุกไหม้ทางอารมณ์พูดง่ายว่าอารมณ์เสียครับอย่าอารมณ์เสียอย่าฉุนเฉียวอย่ากังวลใจเพราะคนทําบาป ถามว่าทำไมครับเพราะว่าพระเจ้าจะดูแลและจัดการพวกเขาเองถ้าเขาไม่กลับใจพี่น้องครับเราอยู่เฉยๆครับพระเจ้าจะจัดการเขาเองไม่เป็นไรครับในขณะนี้พระเจ้าทรงทราบว่าเรารเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะไม่ฉุนเฉียวในการที่เราจะไม่อิจฉาความรุ่งเรืองของกฎธรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีอนาคต และชีวิตของเขาจะถูกดับครับเราจะมาดูในถ้อยคําที่30ครับลูกเอย๋ยจงยำเกรงพระเยโฮวาและพระราชาอย่าคบค้ากับพวกกบฏเพราะภัยพิบัติของพวกเขาจะอุบัติขึ้นโดยพลันและใครจะทราบถึงความพินาศที่จะมาจากพระองค์ทั้งสองได้เล่าพี่น้องครับถ้อยคําที่30คําว่ายำเกรงพระเจ้านั้นถูกกล่าวถึงในถ้อยคําสุดท้าย คือถ้อยคําที่30ของนักปราชของกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าคําว่าพระเจ้าและพระราชาทั้งสองพระองค์นั้นเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้ที่จะให้การลงโทษครับเราจะเห็นว่าคนที่มักกระบฏหรือคนที่ไปเข้ากลุ่มกับพวกกระบฏ ท, ที่กระบฏต่อพระเจ้าและกระบฏต่อพระราชาจะนําความหายนะมาถึงตัวเขาเอง การหันเหไปจากน้ำมัธยของพระเจ้าการไม่ยอมรับน้ำมัธยของพระเจ้าการต่อต้านน้ำมัธยของพระเจ้าถือว่าเป็นการกรบฏต่อพระเจ้าใครก็ตามที่กบฏต่อพระเจ้าจะได้รับภัยพิบัติและจะได้รับความพินาศนี่เป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งในทำนองเดียวกันครับเราจะต้องอธิษฐานเผื่อเจ้าบ้านผ่านเมืองหรือผู้ที่ครอบครอง โดยพยิ่งพระราชาพี่น้องครับต้องในฐานเผื่อเขาขอบคุณพระเจ้าให้เขานั้นเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่จะสร้างความยุติธรรมความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่เขาจะให้รางวัลผู้ที่ทำความดีในขณะเดียวกันก็ลงโทษผู้ที่ทำการร้ายหรือความชั่วร้ายทั้งหลายพี่น้องครับผมจะจบหน่วยนี้ด้วยคําว่าจิตใจที่มักกระบดครับ จิตใจที่มักกระบดนั้นได้เกิดขึ้นติดตัวมนุษย์นับตั้งแต่อาดัมและเอวาทำบาปเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีวิญ ญ, ญาณแห่งการกระบด ท, ที่มันเผยแพร่หรือแพร่ ร, ร, ร, ระบาดไปทั่วโลกเพราะว่าวิญ ญ, ญาณ น, นี้ไม่ใช่เป็นวิญ ญ, ญาณจากสวรรค์ครับแต่เป็นวิ ญ, ญญาณที่มาจากมารซาตานและด้วยเหตุนี้เองมารซาตานนั้นแลกเริ่มดืมที มันกระโจต่อพระเจ้าและมันก็ฝังวิญญาณแห่งกวนความกระโจหรือการกระโจมาอย่างมนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะกระโจต่อพระเจ้ามนุษย์จะกระโจต่อผู้ที่ชอบธรำมนุษย์จะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองมนุษย์จะไม่ฟังกันและกันมนุษย์จะก่อสงครามเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆระหว่างกันและกันซึ่งต่างเหล่านี้ครับก็เป็น เรื่องเราที่พิสูจน์ว่ามันมีวิญญาณแห่งการกระโดเกิดขึ้นอยู่ในตัวของเราทั้งหลายทุกๆคนมากบ้างน้อยบ้างเราจะเห็นวิญญาณแห่งการกระโดของเด็กนะครับเล็กๆก็มีเมื่อเขาเติบโตขึ้นวิญญาณเหล่านั้นมักจะถูกปลูกฝังและเติบใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันครับทําให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่มักจะกระโด พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยยกเอาวิญญาณแห่งการมักกระบทออกไปจากชีวิตของเราอาเมน